สวัสดีครับปีน้องครับนี่คือเสียงจากศิทยิพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้กลับมาสู่บทเรียนจากสุภาษิตสุภาษิตในเช้าวันนี้อยู่ในบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่6โปรดฟังโจนะของพระเจ้าเล่าอางุนทำให้ชอบยอเยาะเย้ยและสุราก็ทำให้เกะกะระรานใครยอมให้มันพาเจนไปก็ไม่มีปัญญา ความกลิ้วอันน่ากลัวของพระราชาก็เหมือนเสียงคำรามของสิงห์หนุ่มใครยั่วพระองค์ให้กลิ้วก็เสี่ยงชีวิตตนเองที่จะหลีกเลี่ยงการวิวาทก็เป็นเกียรติสำหรับคนเราแต่คนโง่ทุกคนจะทะเลาวิวาทกันคนเกียรติคา้านไม่ไถนาในหน้านาเขาจะมองหาพืชผลในฤดูเกี่ยวแต่ไม่พบอะไรเลย ความประสงค์ในใจคนเหมือนน้ำลึกแต่คนที่มีความเข้าใจจะวิทย์มันออกมาได้คนมากมายเป่าวร้องความจงรับพักดีของตัวเองแต่ใครจะหาคนซื่อสัตย์พบเราพี่น้องครับพนพระเจ้าในวันนี้มีทั้งหมด6ข้อด้วยกันก็พูดถึงเรื่องของเล่าอางุน พูดถึงเรื่องของพระราชาที่มีความน่าเกงขามพูดถึงเรื่องของการทะเลวิวาสพูดถึงเรื่องของความเกียรติคารพูดถึงเรื่องของความคิดจิตใจของคนและก็พูดถึงเรื่องของความจงรักภักดีและความสัตย์ซื่อผมจะเริ่มอย่างนี้นะครับในข้อที่หนึ่ง คำว่าสุปรานั้นแปลว่าเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์รุนแรงที่สามารถควบคุมไม่ใช่เป็นน้ำดื่มธรรมดาแต่เป็นเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์มีฤทธิ์ที่สามารถควบคุมควบคุมอะไรครับควบคุมพฤติกรรมของคนได้ควบคุมความคิดของคนควบคุมสิ่ ง, งต่างๆที่ออกมาหมายความว่ามันมีอำนาจครับมีฤทธิ์อำนาจรุนแรง ของพวกนี้ครับมักจะทําจากข้าวบ้างนะครับผลไม้บ้างก็คือต้องผ่านกระบวนการการหมักครับต้องผ่านกระบวนการการหมักแล้วกลายเป็นแอลกอฮอล์นี่แหละครับถึงเรียกว่าสุราเพราะฉะนั้นเครื่องดื่มผสมครับที่มีแอลกอฮอล์เป็นเครื่องผสมนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสุราซึ่งทําให้เมาได้สิ่งเหล่านี้ครับ เรีกว่าเครื่องดื่มหรือของมึนเมาอาจจะทําให้คนหลงไปไม่เพียงแต่เท่านั้นครับคําว่าสุรานั้นยังมีความหมายครอบคลุมรวมถึงสิ่งเสพติดคือของพวกนี้ครับกินแล้วเนี่ยมันจะติดเพราะเนื่องจากว่าอาการมึนเมานั้นสําหรับบางคนก็เป็นอาการที่น่าพึงปรารถนาเพราะอะไรครับเพราะว่า เขามีชีวิตที่อาจจะมีความเครียดมีความทุกข์มีความลาบากในขณะที่ร่างกายของเขาความคิดจิตแจขงเขานั้นอยู่ภายใต้ฤทธิ์อำนาจแห่งสุราหรือของมื่นเมาหรือสิ่งเสพติดนั้นก็ทําให้เขามีความสุขชั่วขณะหนึ่งนี่แหละครับคือความหมายของคําว่าสุราเครื่องดื่มพวกนี้ครับจะทําให้คนหลงไปทําสิ่งที่โง่เขา เห็นกองจากเป็นดอกบัวนะครับเห็นอะไรบางอย่างซึ่งไม่ใช่เป็นของจริงคนพวกนี้จึงผ่านเกเร9้าร้าวและต้องหลีกเลี่ยงครับพี่น้องต้องหลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่ง yeah. โบราณบอกว่าอย่าทะเลาะกับคนเมาครับอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมานี่แหละครับคือสิ่งที่ท่านสอนไว้ให้หลีกเลี่ยงพระกัมปีห้าม ไม่เราเมานะครับหลายคนก็บอกว่าพระคัมภีร์ห้ามกินเหล้าหรือเปล่านะครับผมอยากจะเรียนว่าพระคัมภีร์ไม่ได้ห้ามกินเหล้าแต่พระคัมภีร์ห้ามเมาแต่อีกลักษณะหนึ่งก็คือว่าพระคัมภีร์ก็ไม่ได้สนับสนุนให้คริสเตียนกินเหล้าครับเพราะว่ากินเหล้านั้นมันก็อาจจะทําให้แม้ว่าจะไม่เมาครับทําให้คนอื่นสะดุดอะไรที่ทําให้คนอื่นสะดุด เราก็จะไม่ทำเช่นเดียวกันข้อสองและข้อสครับก็พูดถึงความพิโรธหน้าเกรงขามของพระราชาพระพิโรธของพระราชาก็เหมือนกับสิงห์หนุ่มคำรามการทำให้ผู้ปกครองผู้บังคับบัญชาโกรธย่อมไม่ดีครับเป็นสิ่งอันตรายมากเพราะว่าคนเหล่านั้นครับมีอำนาจที่จะให้คุณให้โทษได้มีอำนาจที่จะให้ชีวิตหรือเอาชีวิตไปจากเราได้ แท้จริงแล้วพี่น้องครับเราไม่ควรทำให้ใครโกรธเราอย่ายั่วยุโทสะถ้าคัมภีร์สอนคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่อย่ายั่วยโทสะลูกครับอย่าทำให้ลูกโกรธในขณะเดียวกันครับคนที่เป็นลูกก็อย่าทำให้พ่อแม่โกรธคนที่เป็นเพื่อนฝูงพี่น้องอย่าทำให้เราโกรธกันคนที่มักยุยงก็ทำให้คนโกรธกันนะครับก็สร้างปัญหาครับควรหลีกเลี่ยง อันนี้คือหลีกเลี่ยงประการที่สองแล้วครับหลีกเลี่ยงคนเมาหลีกเลี่ยงคนมักโกรธหลีกเลี่ยงคนที่ยุ่ยยุให้คนอื่นโกรธนะครับต้องหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงให้พ้นการวิวาสครับการหลีกเลี่ยงให้พ้นการวิวาทนั้นถือว่าเป็นเกียรติคนโง่คิดว่าการทะเลาะวิวาทนั้นเป็นทางออกเราจะหลีกเลี่ยงการโต้เถียงการ โต้แย้งกันโดยไม่ดูถูกกันครับพี่น้องครับการให้เกียรติกันการไม่ดูถูกกันการไม่รู้สึกว่าตัวเรานั้นเหนือกว่าคนอื่นเราก็จะไม่ตัดสินเขาเราก็จะไม่โต้เถียงกันอะไรที่เรามีความขัดแย้งในเรื่องของความเห็นเราก็ต้องขอโทษที่เราจะแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างในอีกด้านหนึ่งและ ชี้แจงให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นเข้าใจด้วยความอ่อนสุภาพครับพี่น้องครับหลีกเลี่ยงประเด็นที่อาจก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาสกันแต่ประเด็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับก็เราก็ต้องเสนอนำเสนอพูดคุยกันอย่างกาลยานามิตรพูดคุยกันโดยความอ่อนสุภาพพี่น้องครับในสังคมของเรานี่ก็มักจะ บางคนก็เป็นคนมักเยอะเยะ้ยบางคนคุยโตอ้วดบางคนไม่ฟังเหตุผลการขจัดคนมักเยะเยะ้ยการคนที่คุยโตอ้วดคนที่ไม่ฟังเหตุผลออกไปจากกลุ่มก็คือว่าเราไม่ครบก็เป็นวิธีการที่ดีเพื่ออะไรครับเพื่อจะหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงที่จะไม่โกรธครับถ้าเราเป็นผู้มีอำนาจเราก็ต้อง อยู่ใกล้ๆคนดีถ้าเราเป็นผู้น้อยเราก็ต้องอยู่ใกล้ๆผู้ใหญ่ที่ดีการกําจัดคนมักเยอะเยะ้ยเป็นวิธีการที่ดีที่เราจะหลีกเลี่ยงการวิวาทครับข้อ4ครับข้อ4นั้นได้พูดถึงคนเกียครค้านคนเกียรติคนไม่ไถนาในหน้านาเขาจะมองหาพืชผลในฤดูเกี่ยว แต่ไม่พบอะไรเลยเราจะเห็นคําว่าฤดูเกี่ยวครับในแถบตะ ว, วันออกกลางนั้นฤดูไถหว่านพืชผลคือฤดูหนาวเพราะเป็นช่วงที่ฝนตกฤดูเก็บเกี่ยวก็ตามมาครับฤดูเก็บเกี่ยวนั้นก็อยู่ในราววันเพนเทคสเตเพราะเป็นวันเฉลิมฉลองเทศกาลเก็บเกี่ยวเมื่อเขาไถหวานพืชผลในฤดูหนาว ฤดูหนาวเป็นช่วงที่ฝนตกแต่คนเกียร์คานครับหลีกเลี่ยงการทำงานในฤดูถยหวานหรือฤดูหนาวเพราะว่าอากาศนั้นหนาวเย็นครับและไม่เพียงแต่อากาศหนาวเย็นพื้นนั้นพอเวลาโดนฝนก็เต็มไปด้วยคโคลนก็เหมือนกับนาครับที่เราต้องไถแต่บ้านเราก็ไถนะครับบ้านเราอากาศไม่หนาวครับแต่ที่ที่นั่นอากาศหนาว เพราะฉะนั้นมันมีแนวโน้มที่คนขี้เกียจจะไม่ทำงานเมื่อคนขี้เกียจไม่ทำงานในฤดูไถหว่านพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวเขาก็ไม่มีสิครับเมื่อเขามองไปเขาไม่พบอะไรเลยที่เป็นของเขามีแต่ของคนอื่นทั้งนั้นไรนาที่ควรจะต้องเรืองอาลามก็ไม่มีเพราะไม่ได้รุนลงทุนลงแรงครับไม่ได้วางแผน การทำงานและเราจะเห็นนะครับการไม่ทำงานหรือการขาดการทำงานหรือความเกียจคร้านมักจะนำชีวิตไปสู่ความตกต่ำพี่งครับหลายครั้งทีเดียวทำให้ผมนึกถึงในสมัยก่อนได้ในสมัยก่อนนั้นคุณพ่อคุณแม่มักจะสอนว่าถ้าขยันตอนเด็กผู้ใหญ่ก็จะสบายถ้าได้วิชาชีพที่ดี ทำงานหนักตอนนี้เราก็จะเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิตนี่คือสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าถ้าเราไม่ขยันตั้งแต่เด็กนิสัยหรืออุปนิสัยที่สัมสมมายากครับที่จะทำให้เมื่อตกเด็กโตขึ้นมาแล้วเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะขยันก็คงจะมีความทุกข์ยากลำบากความยากจนค้นแค้นนะครับ ที่จะผลักดันให้คนขยันครับพี่น้องครับในข้อที่5พูดถึงความคิดของคนข้อที่5ได้กล่าวนลยครับว่าความประสงค์ในใจของคนเหมือนน้ําลึกแต่คนที่มีความเข้าใจจะวิตออกมาได้นั่นหมายความว่าแผนงานหรือความคิดของคนเรานั้นเหมือนกับทะเลครับเหมือนกับน้ําที่ลึกมากๆ ไม่มีใครที่จะตักมันขึ้นมาได้ไม่มีใครจะวิทมันขึ้นมาได้มีแต่คนฉลาดเท่านั้นที่จะเข้าใจเข้าใจแผนงานและดวงความคิดของคนและตักมันขึ้นมาใช้เป็นประโยชน์ได้คนอย่างรู้ครับหรือคนเข้าใจสามารถช่วยคนอื่นได้นี่คือนักให้คำปรึกษานี่คือคนอย่างรู้แต่ปัญหาประเด็นก็คือว่า คนจะต้องเข้าหาเขาคนจะต้องรู้ว่าใครเป็นผู้มีสติปัญญาใครเป็นผู้มีความอย่างรู้ในสมัยนี้นั้นคนไม่ได้คิดถึงความอย่างรู้ครับคนคิดถึงการเข้าหาผู้มีอำนาจดังเองททำให้ผู้มีอำนาจที่ไม่อย่างรู้หรือผู้มีอำนาจที่โง่เขาบาบัญญัติผู้มีอำนาจที่หูเบาก็ไม่สามารถช่วยคนอื่นได้ครับ แต่คนอย่างรู้นั้นสามารถช่วยคนอื่นและวางแผนให้เขาใช้ตะลันได้อย่างเต็มที่ครับแต่ผู้ที่มีอำนาจนั้นมักจะใช้คนทำตามใจของตัวเองที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า manipulate เพราะฉะนั้นแทนที่คนอย่างรู้จะให้คนอย่างรู้ช่วยกับกลายเป็นไปใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจ ที่ปรึกษาที่ไม่ฉลาดแต่ในขณะที่ที่ปรึกษาที่ฉลาดครับสามารถทำให้คนตรวจสอบตอนเองและรู้เป้าหมายของชีวิตรู้ความหมายของชีวิตมีความตั้งใจและมุ่งตรงไปสู่ความสาเร็จได้เพราะฉะนั้นการที่เราเข้าหาใครจะต้องรู้ว่าคนนั้นเป็นคนที่มีสติปัญญาเป็นคนอย่างรู้เป็นคนของพระเจ้าหรือไม่ ข้อสุดท้ายในวันนี้ครับความจงรักภักดีพระคัมภีกล่าวว่าความคนมากมายเปล่าร้องความจงรักภักดีของตัวเองแต่ใครจะหาคนซื่อสัตย์พบเล่านั่นหมายความว่าความจงรักภักดีนั้นเป็นคุณสมบัติที่น่าปรารถนาของทุกคนครับแต่ไม่ใช่ทุกคนมีแต่บางคนก็อ้างตัวนะครับว่าจะมีแต่จริงๆก็ไม่มีพี่น้องครับ เราต้องกลับมาหาหลักการครับเราต้องมีความจงรักภักดีต้องมีความสศ์สซื่อต่อพระเจ้าเมื่อเราเป็นลูกน้องใครเราก็ต้องจงรักภักดีกับผู้นั้นเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงตั้งเขาให้เป็นเจ้านายของเราในขณะเดียวกันครับเราเองที่เป็นเจ้านายเราก็จะต้องรักและเข้าใจและรู้สึกถึงหัวใจของลูกน้องของเรา เมื่อเป็นเช่นนั้นความจงรักภักดีก็จะเพิ่มพูนขึ้นครับแท้จริงความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีในสมัยนี้ครับหายากโดยเฉพาะชนรุ่นหลังชนรุ่นใหม่เขาจะไม่ค่อยมีความรู้สึก loyalty loyalty กับผู้ที่มีพระคุณ loyalty หรือจงรักภักดี เทศชาติบ้านเมืองหรือแม้กระทั่งจงรับดีกับบริษัทที่ทำงานด้วยเหตุ น, นี้ทำให้การปรนาตัวนะครับการปรนาตัวในการถวายตัวการที่ทำให้ตัวเองนั้นผูกพันผูกพันตัวกับเรื่องราวต่างๆกับงานของพระเจ้ากับคำว่าคอมมิชชั่น ก็คือการที่ทุ่มตัวเองลงไปยืนยันตัวเองปรวนารตัวนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องขอพระเจ้าช่วยเราครับให้เกจจจะมีคนเหล่านี้มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าอาเมน